อนัตตามัมีข้อวัดอะ น, นัอนอนัตตามันมีขออนน้อเขตอะนอะไรก็ศูนย์ไปหมดที่นี่ข้อวัดก็ไม่มีที่นี่สีนสมาธิปัญญาเป็นอนัตตาชนิดหนึ่งเป็นท่อนทางเพื่อข้ามพ้น เมื่อข้ามพ้นแล้วเป็นอนัตตาอันละเอียดเป็นอนัตตาอันแม่ตายไม่เหมือนอ น, อนิจจังกับทุกขงังอนิจจังกับทุกขังหมายเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นสังขารอนัตตาในทางรรมพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่เป็นสังขารด้วยหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นสังขารด้วยรวมกันอยู่เหตุฉะนั้นจึงว่าตะเพตมาอนัตตาติ ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าทั้งบาปทั้งบุญทั้งมรรคผลนิพพานด้วยรวมกันอยู่ผู้มีปัญญาจริงๆจะกออก นตาในฝ่ายในฝ่ายพระนิพพานเป็นอนัตตาดับสนิทเป็นอนัตตาเย็นเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับพวกเราสวดันเคยหูกว่าหัดปาก โลภะอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสั้างฆาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังโลังอนิตจ่าวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสรางฆาลาอนิตจาวิญญาณังอนิจจาสเบสั้างฆาลาอนิตจาอนิจจาสังขารทร้างหลายทางปวงไม่เที่ยสเบธรรมาอนิตจาติทำทั้างหลายทางปวงเป็นอนิจตา แต่เราไม่รู้จักวิธีเลือกเส้นทีนี่เราก็ได้บุญอยู่เพราะเราสวดถ้าเรารู้จักวิธีเลือกเส้นบุญของเราจะมากกว่านั้นจิตใจของเราก็จะสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกธรรมะของเราก็จะสูงขึ้นไปอีกกิเลส ก, ก็จะอ่อนกำลัง ที่เหลืคือความหลงความหลงก็อ่อนกำลังแต่ก่อนเคยตีอกชกเสียนความหลงถ้าเราพิจารณาให้แจ้งชัดแล้วมันก็ไม่กล้าตีอกชกเสียนเราได้ ปวดเสียก่อนจึงไปคำว่าปวดมันเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะก็เป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์ว่าสังขารนั่นเองคือทุกข์พระนิพพานมาเนี่ยมาเป็นทุกข์ด้วยหนาวก็สังขารเป็นทุกข์พระนิพพามาเนี่ยมาหนาวด้วยร้อนก็เป็นทุกข์พระนิพพานมาเนะี่ยมาหนอนด้วยหิวก็เป็นทุกข์พระนิพพานมาเนี่ยมาหิวด้วย ทาหิวต่างหากนั่งก็เป็นขันธวิบากขานิพพานไม่ได้มานั่งด้วยนอนก็เป็นเรื่องขันธวิบากวิบากแปลว่าผลของกรรมวิปากะ ท่านนี้ผ่านมาจะมานึกมาคิดด้วยเรื่องนึกคิดเป็นขันธ์ทวิบาศน์พระอริยเจ้าติดอยู่ในนึกคิดหรือไม่นี่เทียนน้ามีรอยหรือไม่ก็มีความหมายอันเดียวกันนกบินในอากาศมีรอยหรือไม่ก็มีความหมายอันเดียวกัน ยินวันยังค่ำก็ไม่มีนึกวันยังค่ำก็ไม่ติดอยู่พระอนิเจ้าเพราะเป็นเรื่องขอ ง, ข, องขันธวิบากเพราะเป็นเรื่องนามมสสังขารทุกทุกอุเบกขาท่านก็บัญญัติอยู่ แต่ท่านมาติดอยู่ในสุขในทุกข์ในอุเบกขาใดๆทั้งสิ้นได้ท่านก็บัญญัติอยู่แต่ท่านไม่ติดอยู่ในได้เสียท่านก็บัญญัติอยู่แต่ไม่ติดอยู่ในเสียท่านรู้จักเพ็ดจักเทมหรือไม่ท่านก็รู้จักตามสมมุติแต่ถ้าไม่ติดอยู่ อาบาทเรามาให้อานนท์เอ๋ยท่านก็พูดตามสมมติอยู่โคกระบือท่านก็พูดตามสมมติอยู่แต่ท่านไม่ติดอยู่เมื่อท่านติดอยู่โลกโกรธล้มของท่านก็ยังไม่หายก็ยังไม่ขาดเมื่อท่านไม่ติดอยู่โลกโกรธล้มของท่านจึงไม่มี นับอาหารท่านรู้จักเผ็ดเค็มไหมท่านก็รู้จักอยู่แต่ท่านไม่ติดอยู่ในเผ็ดท่านไม่ติดอยู่ในเค็มรู้จักตามสมมติของเขาพอกินเหนือส ม, มุติทำเหนือสมมติไปแล้วทาไมท่านนั้นจะไม่รู้จะไม่รู้สมมติพอรู้ตามเป็นจริงของสมมติ พอจิตพ้นไปจากได้จากเสียแล้วทำไมจะไม่รู้จักได้จักเสียตามสมมติพวกเราสมมติกันอยู่เสมอว่าดีใจนักเสียใจนักอันนี้มันเป็นสมมติถ้าอดิยเจ้าท่านมาดีใจท้าไมไไ้เสียใจ เพราะท่านไม่ถือว่าใจมันเสียไปไหนเพราะท่านไม่ได้ถือว่าได้ใจมาจากไหนจิงจะดีใจก็ใจดวงเก่าพระนี้เจ้ามีใจดวงเดียวมีทำอันเดียวองค์กึงกับใจทำอันแม่ตายใจดวงเดียวมาได้เที่ยวในสงสาร พระอริยาเจ้ า, นน า, จายังไม่ทมันตายเพราะไม่ได้เที่ยวไปในโลกในโกรธในหลงทะเลโลกข้ามได้แล้วทะเลโกรธก็ข้ามได้แล้วทะเลหลงก็ข้ามได้แล้ว ทำโดยพระปัญญายานไม่เชื่อายจะคืนมาอีกด้วยเห็นโทษอย่างเต็มที่ด้วยเหตุฉะนั้นจึงพ้นอย่างเต็มที่ เห็นโทษในความหลงของตนอย่างเต็มที่เหตุฉะนั้นจึงไม่เสียดายอยากคืนมาหลงอีกเห็นโทษในเรื่องหลงตาเห็นโทษในเรื่องหลงหูถ้าเห็นโทษในเรื่องหลงตาก็เห็นโทษในเรื่องหลงหูอันเดียวกัน ท่านเห็นทุกโทษโทษพอท่านก็ข้ามโทษได้ตาก็เป็นหลุ่มฐานเพิงหูก็เป็นลุ่มฐานเพิงจมูกก็เป็นลุ่มฐานเพิงลิ้นก็เป็นลุ่มฐานเพิงกายก็เป็นลุ่มฐานเพิง ใจที่ยังไม่ชนะใจก็เป็นลุ่มฐานเพิงเพราะมีกิเลสรอมเมืองใจอยู่ข้ามทะเลใจได้ทะเลตาทะเลหูทะเลจมูกทะเลดินก็ไม่ต้องว่า ถ้าหากว่าพระลหันยึดมั่นถือมั่นในใจอยู่ใครไปดุไปดาท่านท่านก็โกรธท่านท่านก็ผูกเวรผูกภัยนะใจของพระหันเหมือนแผ่นดินเหมือนแผ่นน้ำเหมือนแผ่นไฟเหมือนลมอุ ป, ปมา ดินมันไม่โกรธให้ใครมันไม่แช่งใครหน้ามันมันไม่โกรธไม่แช่งใครไฟมันก็ไม่โกรธไม่แช่งใครลมมันก็ไม่โกรธไม่แช่งใครมันไม่ผูกเวรใครจิตใจพระอรหันต์ก็อย่างนั้นท่านทั้งหลายโวลุมัสสดาสู้ท่าน จิตใจของสูท่านไม่เหมือนดินน้มไฟลมสูท่านจะได้มาต้องเชื่อในวัฏสงสารอีกนะดินเขาไปขี้ใสมันก็ไม่โกรธเขาไปขุดมันก็ไม่โกรธน้มก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันไฟเขาเอาไปเผาอุจจละมันก็ไม่โกรธเรามันไปพัดอุจจละมันก็ไม่ได้กล่าวว่ามันเหม็นมันก็ไม่โกรธ มันไม่โลภอีกด้วยดินมันก็ไม่ได้โลภเอาน้ำ ม, ม, ม, ม, มันก็ไม่ได้โลภเอ า, เอ า, ไ, ฟเอาไฟมันก็ไม่ได้โลภเอาลมน้ำมันก็ไม่ได้โลภเอาดินเอาไฟเอาลมไฟมันก็ไม่ได้โลภได้โกดได้หลงให้ดินให้น้ำให้ให้ลมอีกผลกัน ลมก็เหมือนกันดินนะ้าไฟลมเขาก็มาเป็นสงครามกันด้วยดินก็ไม่ได้กล่าวว่ามึงมาพัดกูมึงมาเผากูแต่กิเลสไปหลงจัางหากกิเลสของสัตว์ทั้งหลายจึงพาให้เดือดร้อนอยู่ในวัฏสงสาร มัตตก็คือคอวามหมุนเวียนในความโลภความโกรธ ค, ความหลงเรียกว่าหมุนเวียนโลภโลกรธหลงมาจากทางวิทยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรรมารมทางโผฏฐพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมารม มาทางนี้ถาดก็ดับทางนี้ถ้ารู้ก็รู้ทางนี้ถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติทางนี้ถ้าพ้นก็พ้นทางนี้ถ้าไม่พ้นก็ไม่พ้นทางนี้โอปนยโกน้อมเข้ามาหากายหาใจประเจตังสิงะรู้ ผู้ตามเป็นจริงอาการลิโกตาหูจมูกวิ่งกายใจมีอยู่ทุกการผู้ที่หลงตางหูจ ม, มูกวิ่นกายใจก็มีอยู่ทุกการผู้จะพยายามพ่นตาจากตาหูจ ม, มูกวิ่งกายใจก็มีอยู่ทุกการถ้าผู้พ้นไปแล้วก็มีอยู่ทุกการ กรรมฐานในพระพุทธศาสนามีสองกรรมฐานเท่านั้นตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นรูปกรรมฐานหรือเป็นรูปประธรรมหรือเป็นรูปประโลกทําไมถึงตั้งฐานไหวพิจนารณาเพราะถึงแล้วนี่ไม่เที่ยอยากจะพิจนารณาเห็นว่ามันเท็จจริงสักเพียงไหนนี่ ทำไมจริงมาหลงอยากจะพิจารณาให้มันเท็จเป็นจริงมันเป็นของเที่ยงจริงหรือมันเป็นของเราของผู้อื่นจริงหรือถ้าเรายอมจำนวนว่าเป็นของสวยจริงเป็นของไม่ปีิกููแเราก็ไม่ยอมพิจารณาถ้าเราเรายอมจำนวนว่าเป็นของเที่ยง เป็นของสุขเป็นเราเป็นเขาจริงจริงจริงๆเหมือนดังสมมติเราก็ไม่ยอมพิจรารณาก่อนที่เราจะยอมพิจรารณาก็เพราะเหตุว่ามันไม่จริงตามสมมติมันไม่จริงตามสมต ม, ม ต, มมติหมดทุกอย่างเสียแล้วส่วนสมมตินั้นจริงอยู่เพราะสมมติใช่กันถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมาย เราจะติดอยู่แต่เพียงแค่จริงตามสมมุตินี่ดอกหรือจริงตามไม่มุิเราจะไม่ต้องการดอกหรือทีอนี่ปัญหาพมันมาสอดอีกเราจะติดอยู่แต่เพียงแค่ได้นี่หรือเราจะไม่พิจารณาด้านเสียดอกหรือมีความหมายกันอันเดียวกัน เราจะติดอยู่แต่เพียงแค่เขียนเราจะไม่รู้ตามเป็นจริงของการลบดอกหรือนี่เราจะติดอยู่แต่เพียงแค่สมมุติเราไม่ตองการรู้จากวิมุตดอกหรือก็มีความหมายอันเดียวกันวิมุตแปลว่ารุ้พ้นรุ้พ้นจากสมมุติ เราจะติดอยู่แต่เพียงแค่เพลินในวัฏสงสารดอกหรือเราอยากไม่รู้ตามเป็นจริงของความดับเพลินในวัฏสงสารดอกหรือปัญหาของมันก็มีอยู่อย่างนั้นเปิดประตูเราก็เปิดเป็นเปิดประตูเข้า เมื่อเวลาเปิดออกเราเปิดไม่เป็นเราจะยืนยันว่าเราฉลาดอย่างไรนี่มันก็มีปัญหามันก็มีปัญหาชวนให้เราคิดเหมือนกันผู้หวงผลทุกนามั ต, าตราสงสารเราจะมาเรียนแต่วิชาเกิดแก่เก็บตายหรือวิชาไม่เกิดแก่เก็บตายเราจะไม่เรียนหรือนี่ ปัญหาของมันเราจะมาส่งเสริมระ บ, บวกคูณทวีแต่ลบโกรธหลงหรือเราจะไม่สู้ลบคบกัดกับมันบ้างหรือนี่ปัญหาของมันก็สอดมาอยู่อย่างนั้น สอดมาใส่เจ้าของเองถ้าคนอื่นสอดมามันโกรธเราสอดเราไม่โกรธดอกเราจะมาแข่งดีแต่อยู่ในวัตสงสารนี่ดอกหรือ เราจะไม่แข่งกับความหลงของเราเพื่อนรุดนเพื่อพ่นไปหรือเรารู้เต็มประตูแล้วว่าวัตะสงสารเต็มไปด้วยกองทุกเรารู้แต่ปากเฉยๆหรือเคยหูก็หัดปากว่าไปอย่างน่้หนอกหรือหรือรู้จริงๆ หรือเห็นจริงๆรหรือเห็นใครในวัดตาสงสารจริงๆหรือเคยหูก็หัดปากเหมือนนอกแก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยแต่ว่าไม่รู้จักกล้วยเราจะอยู่เพียงแค่นั้นหรือปัญหาของมันนั้นก็สอนตนเองมันก็ตักเตือนตนเองอยู่อย่างนั้นอัตนาโจทยักตานางควรเตือนตนด้วยตนเอง อัตโนนาโทหวังพึ่งตนดีกว่าพึ่งผู้อื่นอุริสาธรรมสาฤทธิฝึกตนแล้วจึงฝึกผู้ผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลัง ถ้าเรามีกิลเลสอยู่เราไปรีบไปฝึกคนอื่นก่อนถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาไปฝึกคนอื่นก่อนเมื่อเขาทำตามเราเราก็จะติดอยู่เมื่อเขาไม่ทำตามเราเรา ก, ก็จะโกรธ ปติปทาของหลวงปู่มั่นการฝึก ต, ตนเองการปฏิบัติตนเองเป็นขั้นที่หนึ่งผู้ที่เข้ามาใกล้คิดที่คือสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นขั้นที่สองขั้นทอดสะพานให้ลูกหลานอย่างนั้น พอได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็สะพายบาทแบบกดมุ้งไปเที่ยวสอนคนอื่นหนวปู่มั่นไม่ได้ยมบอกว่าให้อยู่กับครูบาอาจารย์ทุดปืนเชือก่อนให้ดีเชือก่อน ใม่รู้จักค้นทางบ้างเสียก่อนอยาซุกก่อนหามอยาขายก่อนซื้อ ว่าเราไปในทิศทั้งสี่เรายังเป็คนทุกข์ในวัฏจักรทั้งสารเราจะมุ่งประเทศเอามนุษย์มันก็ไม่ถูกเว้นพระสวสดาบาลเสียเพราะท่านรู้จักคนทางแล้วเพราะพระอาหนอนประเทศเอาหมืออบพื้นท่านก็เป็นพระสสดาบาัลต่อพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศา ชิ้นลมปาลแล้วท่านจึงสำเร็จพะางงานเพราะธรรมเนียมของพระโสดาบันไม่ชักชวนคนให้ไปในทางผิดเพราะรู้จักคนทางแล้วตามก่านั้นลงมาก็คนตาบอดจูงกัน ถแม้พระโสดาบันไปยังไม่ถึงก็ตามแต่ก็สามารถพาไปถึงได้เพราะรู้จักคนทางเพราะไม่หลงทางเหตุเช่นั้นข้างพุทธกาลพระโบร่ำมัสสทศดาจึงไหวใจให้พระอานุ์ไปเที่ยวเทศองค์ท่านก็รู้ดีอยู่ว่าพระอานนุ์เป็นพระโสดาบันตัวของพระอานุ์ก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้ว ผูภาวนาพุโทโธอยู่เป็นเนืองนิดกับผู้พยายามสังเสาเขื่อนให้ลึกก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อมาให้ลมพักเพื่อมาให้โพน่น เพื่อมาให้ล่มเพื่อปลูกศรัทธาเพื่อปลูกปัญญาเพื่อปลูกสติเพื่อฝังความเชื่อมั่นผู้พิจารณากรรมฐานอื่นก็เหมือนกันผู้ภาวนาพุทโธสอนแสดงให้เห็นว่าจะไม่ยินดีในศาสตร์ธรรดาอื่น อันญาตัปทุเทศไม่ยินดีในศาสดาอื่นแล้วแสดงสองให้เห็นชัดแล้วผู้ยินดีภาวนาพุทโกไม่ใช่พุทธคนคนหนา เป็นทุกผู้มองเห็นหุนทางแล้วเป็นผู้เลือกเส้นดีแล้วเพราะศาสนาในโลกมันมีหลายสากลศาสนามีหลายเรื่องใสในพุทธโธเรื่องใสในธรรมโมอยู่ในตัว เลื่อมใสในสังโคอยู่ในตัวเนื่อมใสคุณพระพุทธพระธรรมเนื่อมใสคุณบิดามารดาอยู่ในตัวนูจักบาปบุญคุณโทษไปทีล็เล็กเล่น้อยอยู่ในตัวเป็นต้นหนทางผู้ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตก็เหมือนกันผู้ภาวนาอรุภระกรรมฐานก็เหมือนกัน ภาวนาเมตตาเมตตาในทางโลกีก็มีเมตตาในทางโลกีคือภาวนาเมตตาเพื่อหาลาภเพื่ออยากได้มิตรได้สหายเพื่ออยากให้มีคนนับถื อ, อดีเป็นเมตตาโลกีเมตตาโลกุตละเพื่อตองการให้คนจากโกรธจากโล ก, จาก โ, ลกจากโกง ภาวนาเมตตาโลกุตระภาวนาทั่วไปเลยสะท่านใจโลกทาตุเจ้าก็เมตตาโลกุตระเมตตาโลกีก็แผลเฉพาะที่บุคคลที่เราลักญาติพี่น้องของเราไม่ทั่วไปทั่วใจโลกทาตุพู้ที่แผลไปทั่วไปโลกทาตุนะเลย สิ่งที่มีวิญญาณคองสิงอยู่ในโลกและต้องการพ้นทุกข์ในวัฏจัทั้งสารด้วยและเลื่อมใสในรพระพุทธธรมรมผสงควบด้วยพวกเคารพนับถือพระพุทธธรมรมผส์ด้วยมีปัญหาสอนเข้ามาว่าพวกฤษีก็พยายามภาวนาเมตตาเหมือนกันทำไมไม่ถึงเป็นโลกุตระนะก็เพราะเป็นโลกี พเพราะเมตตาของพวกฤาษียังไม่อย่างเห็นอันนี้ทุกครั้งยังไม่อย่างเห็นอันนี้ังทุกขังอนัตตาศาสนาอื่นๆจะปฏิบัติเพ่งคัดเพียงไหนก็าตามเพราะยังไม่พิจรารณาอันนี้ังทุกขังอนัตตาแก่งครับด้านวิปัสสนาปัญญาเขาเห็นเพียง อันนี้จังกับทุกครั้งท่นั้นส่วนอนัตตายังที่เจรนาไม่ออกศาสนาอื่นๆผู้ต้นศาสนาของเขาเขามุ่งอา mith เขาปฏิบัติพรมจรัญมุ่งอา mith เพื่อแข็งดีก็เพราะบรมศาสดาเพื่อแข็งดีก็เพราะพุทธเจ้าทั้งหลายที่ร่วงมาแล้วก็เหมือนกันที่ปัจจุบันก็เหมือนกันเมื่อได้แข่งกับกิเลสของตนเหตุฉนั้นการปฏิบัติของพวกนั้นจึงเป็นโลภีไปหมดจึงไม่สามารถถึงพระโสดาบัน มีน้ำั้ำมีมีน้ำซ้ำเป็นอันตรายต่อพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยถือว่าเมื่อพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นรากของเรามีน้อยนึกโกรธห้ซ้ำแต่ก่อนรากของเรามีมากเมื่อพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นรากของเรามีน้อยลงก็เลยโกรธทีนี่อาอุบายเบีดเวียนต่างๆนานาเหตุฉะนั้นจึงเป็นโลภี อาจารย์ของเขาต้นบัญญัติของเขาก็เหมือนกันความเป็นจริงพระเยซูนี่เมื่องต้นขององค์ท่านท่านมีกาย ก, ายกรรมสามวิีกรรมสี่มโนกรรมสามมีกุศลกรรมบทสิบบริบูรณ์ต่อเมื่อท่านมรณภาพแล้วผู้อยู่ข้างหลัง ก็เลยมามันอัากใหม่ว่าฆ่าสัตว์ได้บุญให้มันไปเกิดในสวรรค์ทีนี่เขาตัวเถียงเกีย ง, งอนกันอยู่ที่อมพลนองหารถ้าอย่างนั้นผมจะฆ่าให้ท่านไปสวรรค์ท่านจะยอมไหมไม่ยอมสัตว์ ท, ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นสัตว์ ท, ทั้งหลายชอบฆ่าหรือ ไม่ชอบฆ่าหรอกเพราะเขาเกิดมาเป็นประโยชน์แก่พวกเราสักเหล่านั้นที่นี่เขาเขียนใส่หน้าผาเขาไว้หรือบอกว่าเกิดมาเพื่อประโยชน์มนุษย์ขอให้มนุมนษย์มาฆ่ากินเขาบอกว่าอย่างนั้นหรือที่นี่ก็โกรธเขาทีนี้สู้เ ข, ขไม่ได้นี่โต๊กันไปโตกันมาอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างอะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้าง ทำไมพระเยซูไปสร้างไม่การเสียนใส่ตนเองพระเยซูเป็นบ้าหรอกหรือโลกใดๆทั้งปวงในสกนลกายพระเยซูไปสร้างทําไมเสือพระเยซูไปสร้างทำไมงูพระเยซูไปสร้างทงําทไม พระพุทธศาสนาไม่ไดว่าอย่างนั้นกรรมของสัตว์ทั้งหลายพาให้เป็นไปพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระผู้เป็นเจ้าใจของแต่ละรายบุคคลนั่นเองไปสร้างพระพุทธศา ส, สนาหมายความว่าอย่างนั้นธรว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างก็พระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันเองไปสร้างบารสร้างบูรุษขึ้นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้น พระรมชาสดาสั่งสอนนางโคตมีสูตรที่กล่าวว่าโคตมีสูตรแสดงอยู่ที่เมืองเวสาลีจึงอ้างพาสีวเวสาลียมคำสอนของพระบรมชาสดามีมากมายนักเมื่อในอนาคต มีผู้อ้างว่าเราได้ฟังมาจากพระอานนุอ้างพระอานนุอ้างพะารงพะบรมศาสดาว่าสอนอย่างนั้นอย่างนี้จะมีวิชาอันใดพอที่จะคัดเลือกพอที่จะตัดสินได้พ้าทำคำสั่งสอนบางทีเขาอ้างอิงว่าพระอานนุ์จำมาอย่างนี้พขาบรมศาสดาเทศอย่องนั้นอย่างนี้อย่างนี้ จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดทำเราใดย่นลงมาเป็นสามทำเราใดเพื่อส่งเสริมต่อเติมโลกให้สวีขึ้นทำเราใดเพื่อส่งเสริมต่อเติมโกรธให้สวีขึ้นทำเราใดส่งเสริมต่อเติมเพื่อให้หลงสวีขึ้น ทำเหล่านั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาทำเราได้เพื่อบันเทามาให้โลกจกักหรือจนหัวแท่าหายไปทำเราได้บันเทาเพื่อมาให้โกรธจกักทำเราได้บันเทาเพื่อมาให้หลงจกักตลอดถึงหายไปทั้งโลกทั้งโกรธทั้งหลง ทำเหล่านั้นเป็นทำคำจำสอนคำขโม โ, มโลมศาสตร์ดาปารบย่อถ้าปารบพิศดานทำเหล่าใดเป็นไปเพว่ความคลายกำนังหนึ่งเป็นไปพวกความไม่ประกอบทุกหนึ่งเป็นไปพวกความไม่สะสมความขลิหนึ่งเป็นไปพวกความไม่มักใหญ่ไฟสูงหนึ่งเป็นไปพวกความไม่คุก ค, คลีด้วยหมู่คณะหนึ่ง เป็นไปด้วยความเพียรหนึ่งเป็นไปพวกความคลายกำลังหนึ่งเป็นไปพวกความนี้ประกอบทุกข์หนึ่งเป็นไปพวกความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปพราะความสันโดดีด้วยของมีอยู่หนึ่งเป็นไปพราะความไม่คุกมคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปพราะความเพียรหนึ่ง เป็นไปเพราะความเลี่ยง่ายนี่ทำเหล่านั้นเึ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, ศาอันนี้เป็นเครื่องวัดสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมต่อเติมกิเลสถึงแม้ไม่ใช่คำสอน เช่นมหัรลศพใดๆที่เอิกเกริกเฮาทำให้สนุกเพลิดเพลินจนลืมตัวอันนั้นไม่ใช่คำสั่งสอมของพระโบลมัสสาน์เหตุฉะนั้นพระกาลุ เพ่งไปกรากเรียนพบรมศาสดาที่เป็นมานพอยู่แล้วเล่าให้ฟังแล้วไม่เคยรู้วันมาที่แรกหรืออย่างเรื่องมานพเป็นมร อ, องในศพน้วยยางนะ แต่สูงมาหาต่ำแต่ก็เป็นท่องสูงเหมือนกันถ้าน้อมเป็นสูงก็ต้องสูงมันขึ้นอยู่กับความน้อมก็ผมเป็นนักมหาลศทุกสิ่งทุกอย่าง ประกาศตูนพระบรมศาสดานักฟอ้อนนักกลัมนักสารพัดมหระสบใดๆถ้าเขาไม่ได้กับผมไปแสดงแล้วเขาเสียใจมากเป็นจนลวลามาขับร้องก็ดีฟอ้อนก็ดีทำให้ อ, อึกรลูกเฮหาทำให้สนุก ในที่ประชุมชนในมอฮ์รัสสกเมืองชาเกตเมืองจําปาเมืองเวททัพิปกเมืองอันละกัปปะเมืองโมนลยะเมืองพาราณสีเมืองราชคืบเมืองชาเกตเมืองจําปามาจ้างกับผมไป ถ้าเขามีมโหสถใดๆก็ผมไปบทถึงความล่าเริงเขาก็ล่าเริงถึงบทร้องไห้เขาก็ร้องไห้ทำให้คนสนุกสนานทำให้คนล่าเริงบ้าก็ผมได้รางวัลพิเศษ 4แสนคาฮ ะ, นะะาปาณะคาฮะปะหนึ่งเที่ยบกับเงินไทยเป็น4บาทในปัจจุบันรางวัลพิเศษได้ถึงเพียงนั้นรางวัลที่จ้างขาดตัวมากกว่านั้นไปอีกเจกีอาจารย์ทั้งหลาย กลาว่าบุคคลผู้ทำให้ร่าเริงบันเทิงในการพ้อนการลาก็ดีในทางการตลกขนองอันไรก็ดีถือว่าตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์มันเป็นจริงไหมพระเจ้าข่าพระบรมศ า, าลาหลับตานิ่งอยู่กาทูลข้างที่สอง พระบรมศาสดาก็นิ่งอยู่รับตามการเรียนขั้งที่สามพระบรมศ า, าสาดาลืมกาขึ้นคุณจะได้ไปตกนะลกชื่อมหาเวกีนะลูกถ้าตัวของคุณก็มีกามาลง ม, มีราคะจักอยู่แล้ว คุณไปเป็นเศรษฐศาสตร์ษาให้เขาเพิ่มราคะเขาคุณจะได้ไปตกนรกชื่อว่ามหาวิจีนรกคุณไม่ต้องสงสัยหรอกแต่ทาพตเมไม่อยากจะเล่าให้คุณฟัง แต่เมื่อเห็นคุณฟังจริงๆสาธตจึงเล่าให้ฟังร่องให้เลยถูกต้นเกจิอาจารย์มาแล้วกับผมขอกราบชาวทูลถวายจะขอบวชในพระองค์ท่านพระโกลมศาสนา ก็ทรงพระอนุญาตให้บวชเพราะบวชมาไม่ช้าไม่นานก็เสด็จพระหรหลา์เพราะเหตุใดเพราะไม่ใช่ฆ่ามารดาพิดาไม่ใช่ฆ่าพระหรหลานเพราะไม่ใช่อนันตริยกรรมห้าถ้ า, าว่าเป็นอนันตริยกรรมห้าก็ไม่สามารถจะเสด็จมาผลในภามีามชาตินั้น ที่ปลารบนี้เมื่อไ้หมายว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกๆกันหลานเมื่อเวลาเราทำบุญให้ทานอย่าได้เป็นห่วงกับมหัะสมใดๆทั้งสิ้นอย่าได้ไปค่าเนื้อเบื่อปลา ของแห้งมีเราไปซื้อมาตามสติกำลังของเราหัวและศพใดๆขอ ไ, ๆไม่ต้องเกี่ยวเพราะไม่มีประโยชน์เราเห็นพระบรมราชาไปดูหัอและศพคือไหนบ้าง องค์ท่านไม่ไปจเจริญทําตามสถิติกำลังขององค์ท่านอยู่ในพะบรมราชวางังสุราเมรายท่านก็ไม่ดื่มบุตรีท่านก็ไม่สูบการพานันท่านก็ไม่เล่น ถ้าไม่ส่งเสริมเองด้วยนั่นเป็นอย่างอย่างอันดีแล้วในทางพราธุาสในทางผู้ครองประเทศ ผู้ของประเทศภายในก็คือสติปัญญาและจิตใจของพวกเราแต่ละหลายของบุคคลแต่ละประเทศของบุคคลแต่ละบ้านของบุคคลแต่ละเมืองของบุคคลก็คือศีลธรรมเท่านั้นเมื่อหวังคนทุกเนวตาสงสารโดยด่วนในปจัจจุบันในชาติ ก็ไม่จาเป็นจะไปอ้อมข้อมอะไรนักหนกพิจรณาให้เบื่อหนายคลายเมาในวัตจ้าสงสารดังที่ว่ามาแล้วนั้นเพราะรู้จักไปทางรัฐแล้วเพระรู้จักมนุษย์คุณค่าของมนุษย์คุณค่าของการเกิดการเกิดการเจิบการตายแล้วงน เพราะรู้จักมรคุณค่าของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติลมสมบัติแล้วผู้จักคุณค่าของตาหูจมูกลิ้นแล้วรู้จักโทษของตาหูจมูกลิ้นอีกด้วยกายใจอีกด้วย มีโทษมหันมีคุณเป็นอนันต์มีทั้งเคหหัวมีทั้งรูปหลังในโลกอ น, นี้ นุมเพิงลุมตาถ้าหลงตาก็เป็นลุมเพิงถ้าหลงหูก็เป็นลุมเพิงถ้าหลงจมูกก็เป็นนุมเพิงถ้าหลง ล, งลิ <met> <rat less> <glacier> ้นก็เป็นนุมเพิงถ้าหลงกายก็เป็นนุมเพิงถ้าหลงใจก็เป็นนุมเพิงถ้าไม่หลงเลยก็เป็นเครื่องดับเพิง คิดดูอย่างหยาบๆเราดูสิ่งของหรือดูอะไรต่ออะไรมานี่มากมายแล้วถ้าเป็นฉุก้ดยการดูมันก็ฉุกแล้วเราเสียงฟัเราฟังเสียงใครเลาะสนอโสซึ่งเป็นเสียง ที่ดึงในไปให้เพลินในทางกรร ม, มารมณ์ตาลูกก็เหมือนกันถ้าหากว่าได้รับสุขเราก็พอด้รับแล้วแต่มาเห<ม>็นว่าเป็นสุขอะไรท้าเมา็ดงาเรื่องรสเผ็ดเค็มหวานจัดที่เราสมมติว่าอร่อยอร่อย เราก็ได้ทานได้รับทานมามากแล้วทำไมเราเราไม่เป็นสุขที่นี่ทำไมถึงวันแก่วันจะใกล้แก่ใกล้เจ็บใกล้ตายไปสิ่งเหล่านี้มันพอประทังประทังประทังเท่านั้นพอได้ปฏิบัติตัวคนทุกข์เท่านั้น เจรนาไปท่าใดยิ่งเห็นความโง่ของเขาความเขาของตนที่เคยหลงมามากนึกทั้งเวทตลอดใจ เฝ้าหน้าเมนเห็นหน้าเจ้าในวัฏสงสารทุกข์ข่าวกระตายไปไม่เห็นได้อะไรนอกจากที่ที่จะสร้างกุศลพ้ น, นบุญติดตามใจไปเท่านั้น นักปฏิบัติเพื่อผลทุกนวัตตาสงสารฉนั้นจะนอนใจในความหลงของตนได้ก็นอนไม่ได้ลุมฐานเพลิงทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ก็รวมลงไปอยู่ในหลุมหลงๆนั่นเองหลุมโลกหลุมโกรธก็รวมลงไปอยู่ในหลุมหลงๆรวมไปลงในทะเลหลงแห่งเดียวโลกโกรธเป็นเมืองครึ่งของทะเลหลงทะเลโลกทะเลโกรธย่นทะเลลงมาทะเลตาหงายหมูกเลี้ยงตายก็ย่นลงมาเสีย ก็ไปรวมอยู่ที่ก็ไหลลงสูท่ทะเลหลงหลงอันใดย่คนความหลงลงเป็นสองก็หลงกายหลงใจนี่เองหลงโลกกายโลกใจนี่เองก็ยึดมัน่นถือมั่นเอาแต่กายเรากายเขากายท่านผู้อื่นคือว่ามั่นว่าใจเราใจเข า, ใ จ, เขาใจท่านผู้อื่น เพราะแยกยังไม่ออกเพราะยังไม่ยอมถอนออกจากสมมติเพราะสมมติฟังแน่นกำลังพระปัญญาจึงจะถอนสมมติเหล่านี้ออกจากคันธะสันดานได้กำลังพระสติ เนื้อนอกนั่นไม่มีสิ่งที่จะถอนได้คำว่าสติคำว่าปัญญาก็มีสินงสมาธิปัญญารวมอยู่ในที่นั่นเลยสิ่งสมาธิปัญญารวมลงอยู่ที่สติและปัญญาตกลงปัญญาก็อันเดียวกันสติก็อันเดียวกันศิลก็อันเดียวกันสมาธิก็อันเดียวกันปัญญาก็อันเดียวกันมิพธิชาเวลาพระวิมุตติสิทิพิพาน ก็เป็นกองทัพรมอันเดียวกันเวละทีนี่สามทุ่มหรือวันนี้